เราทุกคนเกิดมาในโลกนี้ทางก็มีกรรมเป็นของของตนผู้ใดทำกรรมใดไว้ก็ได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องจำไว้ให้มั่น อย่าไปเชื่อปรำปราไปอย่างอื่นเนื่อได้ประสบความทุกข์ความวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหากแก้ไขไม่ตกเราก็ต้องให้นึกว่าเป็นผลแห่งกรรมชั่วที่ตัวได้ทำเอามาแต่ก่อนมันตามมาสนองเอาไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจ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 แม้กรรมดีก็เหมือนกันเมื่อกรรมดีมันจะให้ผลแล้วไม่มีอะไรที่จะมาต้านทานได้มันก็ต้องให้ผลตามการตามเวลานี่มันจะมีคาถาอาคมหรือมีการบวงสวงเสกเป่าอะไรกันไม่ให้ผู้นั้นถึงซึ่งความเจริญ เช่นนี้ก็ไม่มีทางยกเป็นกันไว้ได้ในเมื่อบุญมันให้ผล <c oughs> เราต้องเชื่ออย่างนี้มันยึงตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอันพระพุทธเจ้านั่นพระองค์รู้แจ้งอย่างเช่นพระเทวทัตเมื่อนึกถึงบาปกรรมของตัวได้ตนได้ทำกับพระพุทธเจ้ามา มากมายแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทำตนแม้แต่น้อยเดียวก็คิดจะไปขอขมาโทษต่อพระองค์นอนป่วยอยู่ให้ลุกศิษย์เอาใส่แค่แล้วหามไปวัดเชตวันนารามพระทั้งหลายเห็นลูกศิษย์หามพระเทวทัตมาแต่ไกลก็ไปกราบทูลพระศาสดาบอกว่า ลูกศิษฐ์ถามพระเทวทัตมาเฝ้าพระองค์ mm hmm. พระองค์ก็ทรงดำรัสว่าถึงอย่างไรเทวทัตก็ไม่ได้เห็นเราเ ถ, ถาคต mm hmm. อืออ้าววันนี้ก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาพระก็ไปทูลอีกพระองค์ก็ตรัสยืนยันอยู่ว่าถึงอย่างไรเทวทัตก็ไม่ได้เห็นเราเ ถ, ถาคสาขด ใกล้เข้ามาที่สุดถึงสะโบคารณีพระก็ไปกรบทูนพระองค์ก็ยังยืนยันอยู่ว่าถึงอะไรก็ไม่เห็นเราจะถาคตลูกศิษย์ก็ร้อนหลายนี่ก็ปงอาจารย์ลงไว้ริมฝั่งสระน้ำนั้นแล้วลูกศิษย์ก็ลงอาบน้ำกันที่สระนั้นพระเทวทัตก็ลุกขึ้นเอาเท้าอย่างลงไปสู่พื้นดิน หวงว่าจะวิตน้ำในสระนั้นมาล้างหน้าล้างตัวทันใดนั้นแผ่นดินก็แยกออกแล้วสูบอาพระเทวทัตลงไปไม่อยู่ในอเวจีมหานรกนี่แหละความรู้ของภรนะาสตาเน่ะไม่มีใครที่จะยิ่งไปกว่าเลยเมื่อพระ อ, องค์ทรงได้ลำดัดอย่างไรแล้วต้องเป็นไปอย่างนั้นจริงๆ <c oughs> ไม่มีผิดเลยแม้เรื่องอื่นๆเยอะแยะที่พระองค์ทรงพยากรณ์แล้วเป็นไปตามที่ทรงพยากรณ์คนทั้งหลายจึงอัศจรรย์พวกมิจฉาทิฏฐออินั่นพวกมิจฉาทิฏฐิได้ฟังได้เห็นอาการความรู้ยิ่งของพระองค์จึงได้เกิดความเลื่อมใสละละทัทธิ นับที่อันผิดๆอันนั้นมานับถือพุทธศาสนาก็มากมายพอได้เห็นพระปฏิหารของพระองค์ <c oughs> นี่พูดถึงเรื่องอนุภาพแห่งกรรมดีกรรมชั่วสู่กันฟังเรื่องกรรมดีอย่างนี้นะเมื่อมันจะให้ผลมาแล้วอย่างเป็นคนใช้เขา เป็นทาสเขาได้แท้ทของเศรษฐีกุงราชคฤห์ีสามพ่อลูกด้วยกันพ่อกับแม่กับลูกสาวผู้พ่อตื่นเช้ามาก็ได้ควายได้ไถออกไปไถนาผู้เมียอยู่บ้านก็หุงหาอาหารแล้วไปส่งผัวอยู่ที่นาเศรษฐี ทุกวันทุกวันวันนั้นนําอาหารไปพอดีไปเจอธรรมสารีบุตรเข้าระหว่างทางเกิดสัทธาเลื่อมใสก็ได้เอาอาหารนั้นใส่บาตรในท่านจนหมดแล้วกลับไปบ้านไปทําอาหารใหม่ไปส่งให้สามีสามีไถนาแล้วปล ด, ดควายแล้วก็วันนั่งคอยท่าเมียอยู่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 แต่ก่อนที่เธอจะพบท่านนะท่านมาพบฉันก่อนท่านเดินบินธบาตมาแล้วมายืนอยู่ใกล้จอมปวกที่ทฉันไถนาอยู่เนี้ยแล้วฉันก็นึกว่าเอ๊ะพระผู้เป็นเจ้ามายืนอยู่นี่พคงจะต้องการอะไรอย่างนใด อ, อย่างหนึ่งก็คิดว่าท่านคงต้องการไม้สีฟันก็เอาผ้าไปตัดเอาไม้ อยู่ที่จอมพวกนั้นมาทุบๆให้อ่อนนุ่มดีๆแล้วก็เอามาถวายท่านพร้อมทั้งน้ำขันหนึ่งท่านก็ล้างปากถูฟันเสร็จแล้วท่านก็เดินเข้าไปในหมู่ในเมืองจึงไปพบกับเธอนั่นแหละเพราะงั้นอือย่นั้นเราก็ได้ทำบุญร่วมกันนะสิต่างคนต่างของอนุโมทนาส่วนบุญกุศลด้วยกัน สามีนั้นรับประทานอาหารเสร็จแล้วเหนื่อยก็นอนพักผ่อนอยู่สักคู่หนึ่งพอาตื่นขึ้นมองไปนาที่ไถต้นไถ่ทิ้ไงไว้นั้นก้อนขี้ไถก็เหลืองอลามไปหมดเอ๊ะทาไมก้อนขี้ไถ ท, ที่ฉันฉันไถเมื่อเช้าเนี่ยมันเหลืองไปหมดเลยหรือว่าตาสันมันฝาดหรื อ, อยังไงอะเธอมองดูสิ ไอ้เมียมองไปก็เห็นว่าเหลืองเหมือนกันเอ๊ะไทนั้นเราไปดูกันทีว่าก็าลงจากห้างนาแล้วก็ไปดูกันพอไปดูที่ไหนได้ก้อนขีไถเป็นทองคําหมดเลยเฉพาะแต่ไรนาที่คนนั้นไถตอนเช้านั้นเท่านั้นเองนะที่ไถแต่วแต่ก่อนนั้นไม่เป็นก็ที่อกีใจ แล้วเราจะทํำยังไงปรึกษากันก็ลงความเห็นว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยเราต้องได้พึ่งพระราชาไม่งั้นเราตายแน่วางนั้นคิดได้ก็พากันเข้าไปในเมืองไปเฝ้าพระเจ้าวิมินสารได้กราบถูในทรงทราบพระเจ้าวิมินสารจงได้รับรับสั่งให้เอาเกวียนห้ารอยเล่มออกไปเพราะสมัยนั้นรถยนต์ก็ไม่มี ออกไปให้ให้ไปขนเอาก้อนทองคําขี้ไถอันนั้นเข้ามากองไว้ทีหน้าพระรานหลวงในพระราชวังคนเหล่านั้นเอาล้อเอากียนออกไปก็ไปขนเอาก้อนขี้ไถ ท, ทองคําอันนั้นใส่ล้อใส่เกวียนของตอนของตอนถ้าก้อนไหนคิดว่าก้อนนี้เราจะเอา หยิบเอาแล้วใส่กระเป๋าเสือ้อกลายเป็นดินไปต้องได้เอาออกมารวมกระหมูไว้เอาเป็นทองคาถ้าจะหยิบเข้าไปในกระเป๋าเสือ้อเป็นดินไปนั่นแหละดูคนไม่มีบุญนะไม่มีทางจะได้คองสมบัติอันมีค่าไม่มีใครเอาได้แม้แต่น้อยเดียวถกตรงว่าต้องขนทองคำนั่นไปกองไว้หน้าพระลานหลวง เท่ากับภูเขาน้อยลูกหนึ่งวันนีพ้พระเจ้าวิมิสานก็ทรงสั่งให้เจ้าหน้าที่ไ ป, ปบอกพวกเศรษฐีในเมืองราชคฤห์มาดูฟองทองคําของสามพ่อลูกนี่มากันแล้วก็พระเจ้าวิมินสานถามว่าทรัพย์สมบัติของพวกท่านนะ่ะของใครบ้างที่มีเท่านี้หรือว่ามากกว่านี้มีไหม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 ที่บุคคลกระทาเอามาจะในอดีตหนหลังบ้างทาในปัจจุบันนี้บ้างไอบุญที่มันให้ผลในปัจจุบันอย่างเช่นสามพ่อลูกนี่นั่นเนี่ยมันทั้งอาศัยบุญกุศลหนหลังด้วยแล้วอาศัยบุญกุศลในปัจจุบันด้วยในปัจจุบันนี้เขอาศัยบุญกุศลหนังหลังมาโดนบันดาล ให้ได้พบเห็นหรือว่าให้คนเหล่านี้ไปต้องขายงานของธรมามสาลับุตรเพราะท่านเข้านิโรธสมาบัติอยู่เจ็ดวันเมื่อท่านออกจางนิโรธสมาบัติมาแล้วพิจารณาดูบุคคลที่ควรจะสงเคราะห์คนเหล่านี้ก็ไปต้องขายงานของท่านเข้าให้อย่างนี้แหละคนมีบุญนะ คนบุญไม่ถึงแล้วไม่มีที่จะไปต้องขายยาของผู้วิเศษอย่างนั้นท่านพิจารณาดูแล้วท่านจึงได้เดินทางไปสงเคราะห์ให้คนหล่อนนั้นได้ทำบุญถวายทานก่อนคนอื่นทั้งหมดเพราะว่าพระอรหันต์ที่ท่านเข้าที่ท่านออกจากนิโรธสมาบัติมาใหม่ถ้าใครได้ทำบุญถวายทานก่อนเพื่อนแล้ว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 เป็นอย่างที่เรื่องเล่ามานี้เองแต่คนเราเน่ะทาบุญกุศลอะไรลงไปแล้วอยากจะให้มันได้ผลไวๆนั่น อ, อย่างนี้แล้วตนเองทาบุญกุศลยังไม่มากพอที่มันจะให้ผลได้ไวๆอย่างที่ทุกขตะเศรษฐีนางกล่าวมานี้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 หมดตรงแล้วคำดีที่ทำไว้นั้นมันมาให้ผลจึงโดนบันดาลให้พบพระผู้วิเศษเช่นนั้นเข้าในทำบุญกับท่านสมทบกับบุญหลหลังเข้าไปจึงได้ให้ผลปัจจุบันทันด่วนทันทีเลยไม่ต้องได้ออกแรงอะไรไอ้น้อันนี้เรียกว่าเป็นโลกียาทรั ที่สามพ่อลูกนั่นได้รับวนันนี้เมื่อเพื่อนได้รับส่วนผลบุญกุศลที่ตนทำมาอย่างนั้นแล้วแทนที่จะประมาทเพลิดเพลินเนสวยแต่ผลบุญของเก่าเพื่อนก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นเช่นนั้นยังทําบุญทําทานแล้วก็เข้าวัดฟังธรรมวันนี้ไนปะเมื่อได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเข้าก็ได้บรรลุโสดามาันทั้งสามข่อรูก พ่อแม่กับลูกสาวในบรรูโสดามันเป็นพระอริยบุคคลในพุทธศาสนาขันอยู่มาฝวายลูกสาวไอตระกูลเศรษฐีที่ได้ไปอยู่อาศัยมาแต่ก่อนนั่นแหละมันมีลูกชายอยู่คนหนึ่งเขาก็แต่งคนได้มาสู่ขอ ลูกสาวเศรษฐีคนใหม่รมเนียมแขกอินเดียนะผู้หญิงต้องไปสู่ตระกูลผัวก็จกลงแต่งงานกันนางคนนี้ก็เลยได้ไปสู่ตระกูลสามีตระกูลสามีเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่นับถือพระพุทธศาสนาในวันนี้ ฝ่ายภรรยานั่นเป็นผู้เป็นอริยะบุคคลในพุทธศาสนาขันพระโสดาบัน <c oughs> เพราะฉะนั้นเมื่อไปสู่ตระกูลสามีที่เป็นวิชาลิทิกก็ไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำทานอะไรก็จึงทรงจดหมายไปหาพ่อแม่เพ ว, ว่า ฉันอยู่บ้านสามีไม่ได้ทําบุญทําทานอะไรเลยออขอเงินมาทําบุญทําทานบ้างเอพ่อแม่ก็นําเงินมามอบให้ก็ได้นิมนต์พระพุทธเจ้าแล้วประสงค์มาฉันประท า, ารในบ้านขออนุญาตสามีสามีก็อนุญาตได้มาทําบุญถวายทานอยู่เจ็ดวัน ฟังเทศฟังธรรมคำสอนของพระเจ้าไปเสริมอินทร์บารมีให้แก่กล้าขึ้น <c oughs> แต่ไม่ปรากฏว่าฝ่ายพ่อผัวแม่ผัวหรือฝ่ายผัวนั่นน่ะก็ได้ฟังธรรมพองพระเจ้าแล้วได้เลื่อมใสในพุทธศาสนาดูมันไม่มีออย่างนี้แหละในโลกสันิวัติของเรานี่ยังว่าไอเรื่องความคิดความเห็น รืยความเชื่อความนับถือเนี่ยมังคับกันไม่ได้เลยมันเป็นไปเองอผู้ใดมีบุญวาสนาอย่างไรได้ทำมาบุญวาสนาเนี่ยมันก็โดนบันดาลให้เมนชีวิตไปในทางนั้นผู้ที่เคยเห็นผิดเป็นชอบมาแต่ก่อนแต่ว่าเขาก็คงได้ทำบุญมาเหมือนกันแหละ ก็ถึงได้มาเป็นเศรษฐีแต่พูดถึงความเห็นในทางลทัทธิความเชื่อถือแล้วก็น่ว่าเขาให้มีความเห็นผิดจากความเป็นจริงเขาคงเห็นว่าทานไม่มีผลอะไรนั่นแหละก็ถึงไม่ทําบุญให้ทานหรือว่าเขาจะให้ทานแก่นักบวชที่เขานับถือก็ไม่รู้หรอม แต่ทานในพุทธศาสนานี่พระบรมศาสดาทรงตรัสว่าผู้ที่ได้ให้ทานแก่พระอริยบุคคลผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วนั้นย่อมมีผลมากอุปมาเหมือนอย่างบุคคลทานาทาสวนเมื่อปรับดินให้ดีถอนหญ้าถอน ตอไม้อะไรออกหมดดีแล้วปลูกข้าวหรือปลูกต้นไม้อะไรลงไปในดินนั้นมันก็จเจริญงอกงามขึ้นได้เพราะดินนั้นไม่มีศัตรูพืชอยู่นั้นต้นข้าวหรือต้นพืชต่างๆมันก็มีโอกาสย่างลากไปหาอาหารมาเลี้ยงลำต้นของมันได้เป็นอย่างดีถ้าหญ้ามันขึ้นมาเขาก็ไปถอนหญ้าออกไป อุปมานี้ฉันใดก็อย่างนั้นในการที่มุคคลปรับดินให้ดีนั่นน่ะดินที่ดีๆที่ไม่มีหญ้ามีตอไม้อะไรอยู่นั้นอุปมาเหมือนอย่างท่านผู้มีความเพียรใหญ่พ้าเพียรละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากกิจใจ เนื้อเทนี้การที่บุคคลไปหว่านพืชลงในที่ดินอย่างนั้นอุปมามันยังบุคคลผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระอริยบุคคลผู้เที่สั้นสิ้นอาสวะกิเลสแล้วแล้วก็มีจิตยินดีเลื่อมใสถวายทานยินดีกราบไหวสักการะบูชาด้วยดอกไม้ถูกเทียนแล้วยินดีทำตามโอวาทที่ท่านแนะนำสั่งสอน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 สุพัทะปริพาชกผู้บวชเป็นคนสุดท้ายวันพระองค์ปรินิพานนั่นนะสุพัทธาใบาทูลถามว่ามีใครบ้างลัทธิต่างๆที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ที่ได้สำเร็จสิ้นอาชวะกิเลสตัณหานั่นนะเช่นครูทั้งหกเป็นต้น รัชกาลยังได้ทรงตรัสแก่สุภัทะปริภาชกว่าดูก่อนสุภะทะในธรรมวินัยใดถ้าไม่มีศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคมิยงแปดประการแล้วในธรรมวินัยนั้นย่อมไม่มีสามารถที่จะมีมรรคมีผลมีพระนิพพานอะไรเกิดขึ้นได้เลย ในทมวินัยใดถ้ามีผู้ปฏิบัติตามมัคอันมีองค์แปดประการอยู่โดยดีโดยความไม่ประมาทแล้วในทมวินัยนั้นย่อมมีมัคผลนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางแน่นอนทีเดียวเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนานี้มีพร้อมบริบูรณ์เลยมัคอันมีองค์แปดประการมีความเห็นถูกเห็นชอบเป็น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 พระองค์ก็ทรงสอนพระกรรมฐานให้ท่านเรียนเอาพระกรรมฐานโดยสังเกตั้นแล้วก็ไปทำความเพียรเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างอยู่จนตลอดคืนในํารลาท่านก็กล่าวว่าท่านได้สำเร็จอรหัตผลก่อนพระองค์ดับขันเข้าสู่พระนิพพานท่านเรียกว่า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 ก็ไม่มีมักไม่มีผลได้เพราะว่า ด, ดำเนินในทางที่ไม่รอบครอบเรียก ว, ว่าคุณธรรมที่เขาดำเนินนั้นนะมันไม่ไม่รอบครอบเหมือนอย่างข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่มันเป็นข้อปฏิบัติที่กำจัดกิเลสได้ทั้งสามประการข้อกิเลสใหญ่ๆแท้ๆก็มีอยู่สามประการ มีราคะหนึ่งโทสะหนึ่งโมหะหนึ่งหรือว่าความโลภหนึ่งความโกรธหนึ่งความหลงหนึ่งท่นี้ศีลสมาธิปัญญานี่นะ่ะกําจัดความโลภโกรธหลงอย่างหยาบืได้อย่างกลางได้อย่างละเอียดก็กําจัดได้หมดนี่เรีย ว, ว่า มันเป็นไปตามขั้นตอนผู้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาในขั้นต้นนี้มุ่งทำศีลในบริสุทธิ์ไปก่อนเนี่เหมือนอย่างผู้ที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนาเนี่ยในการบำเพ็ญทางขิดใจนี่ก็ยังไม่เข้มแข็งเท่าไหร่แต่เราต้องปลูกสตาคมเชื่อลงในศีลในวินยัยให้เข้มงวด สำรวมในวินัยให้เข้มงวดกวดคันไม่ละเมิดพระวินยัยนี่เมื่อทำศีลให้บริสุทธิ์ใจอย่างนี้แล้วจิตใจมันก็เบิกบานผ่องแผ้วเพราะมันไม่มีบาปอกุศลเกิดขึ้นทีนี้เมื่อจิตใจเบิกบานผ่องใสและเจริญพระกรรมฐาน